انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَد ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและขัดขวางทางของอัลเลาะห์นั้นแน่นอนพวกเขาได้หลงทางไปแล้วอย่างไกล อินَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا. hatin บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและอธรรมแก่ตนเองนั้นใช่ว่าอัลเลาะห์จะส่งให้อภัยโทษให้แก่พวกเขาก็หาไม่แล้วก็ใช่ว่าพระองค์จะส่งแนะนําแก่พวกเขาซึ่งทางหนีใดๆก็หาไม่อินนาตารีกะจะฮันนัมมะคาลิดีนฟีฮาอบะดะวะกานะซาลิกะอะลาลลาฮิยะซีรานอกจากทางแห่งนรกยานนําเท่านั้น โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นเป็นสิ่งง่ายดายแก่อัลเลาะห์เหลือเกินยาอัยยูฮันนาสกัดจาอากุมอัรเราซูลบิลฮักก์มินร็อบบิกุมฟาอามีนูค็อยร็อนละกุมวะอินตักฟุรฟะอินนะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวัลอัรฎิวะกานัลลอฮุอะลีมันฮะกีมาอูมัลุดทั้งหลาย แพทย์ิงศาสนทูตผู้นั้นได้นําความจริงจากพระผู้เป็นบานของพวกเจ้ามายังพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงศรัทธากันเถิดซึ่งมันเป็นสิ่งดียิ่งแก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาแท้จริงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ทั้งสิ้นและปรากฏว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ يا اهله الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وان كلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثه ان تهو خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا اوชาวคัมภีร์ทั้งหลาย จงอย่าทำให้เกินขอบเขตในศาสนาของพวกเจ้า ละจงอย่ากล่าวเกี่ยวกับอัลเลาะห์นอกจากเรื่องที่เป็นจริงเท่านั้นแท้จริงอัลมาซีฮอิสาบุตรของมารยัมนั้นเป็นเพียงศาสนทูตของอัลเลาะห์และเป็นเพียงดํารัดของพระองค์ที่ได้กล่าวแก่มารยัมและเป็นเพียงวิญญาณหนึ่งจากพระองค์เท่านั้นดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลเลาะห์และบรรดาศาสนทูตของพระองค์เถิด และจงอย่ากล่าวว่า 3 องค์เลยจงหยุดพูดเสียเถิดมันเป็นความดียิ่งแก่พวกเจ้าแท้จริงอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าที่สมควรได้รับการเคารพสักการะแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากการที่ทรงมีพระบุตรสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์ทั้งสิ้น لアプリ ين برن لاو تي الله بين پو đu ਰੇ ਰਬ ਮੋਬ ਮਾਇ ਹੇ ਬੇਨ ਪੂ ਕੁੰਨ ਕ੍ਰੋੰਗ จะไม่หยิ่งยะซูเป็นอันขาดที่จะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และมาลาอิกะห์ผู้ใกล้ชิดพระองค์ก็ไม่หยิ่งยะซูด้วยและผู้ใดหยิ่งยะซูต่อการที่จะเคารพซะกาเราะห์ต่อพระองค์และยะซูแล้วพระองค์ก็จะทรงรวบรวมพวกเขาไว้อย่างพระองค์ทั้งหมด فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وامما الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من อัลลอฮิวะลียะวะลานอศีร่าสุนบันดาผู้ที่ศรัทธาณกะระทําความดีทั้งหลายนั้นพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วนและจะทรงเพิ่มพูนให้แก่พวกเขาด้วยจากความกรุณาของพระองค์ส่วนบรรดาผู้ที่หยิ่งยโสนั้นพระองค์จะทรงลงโทษแก่พวกเขาซึ่งการลง ผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสําหรับพวกเขาอื่นจากอัลเลาะห์ยาอัยยูฮันนาสกัดจาอากุมบุรฮานุนมินร็อบบิกุมวะอันซัลนาอะลัยกุมนูร็อมมุบีนโอมนุษย์ทั้งหลายแน่นอนได้มีหลักฐานจากพระผู้เป็นบานของพวกเจ้ามายังพวกเจ้าแล้ว และเราได้ประทานแสงสว่างอันแจ่มแจ้งลงมาให้แก่พวกเจ้าด้วยอัมมาลลดีนะอามะนูบิลลาฮิวะอ์ตะศะมูบีฮิฟะซัยดะคิลูฮุมฟีเราะห์มะตินมินฮูวะฟะฎลฟะซัยดะคิลูฮุมฟีเราะห์มะตินมินฮูวะฟะฎลวะยะฮดีฮิมอิลัยฮิศิรอตอนมุสตะกีมาส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และยึดมั่นต่อพระองค์นั้น พระองค์จะทรงให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเอ็นดูเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์และทรงแนะนําพวกเขาซึ่งทางอันเที่ยงตรงไปสู่พระองค์ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركت وإن كانوا إخوة رجال لهم ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم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 แต่ถ้าปรากฏว่าพี่สาวหรือน้องสาวของเขามีด้วยกัน 2 คนทั้ง 2 คนนั้นจะรับ 2 ใน 3 ของมรดกที่เขาได้ทิ้งไว้แต่ถ้าปรากฏว่าเขามีพี่น้องหลายคนทั้งชายและหญิงสำหรับชายจะรับเท่ากับส่วนได้ของหญิง 2 คนที่เราส่งแจกแจงแก่พวกเจ้านั้นเนื่องจากการที่พวกเจ้าจะหลงผิดแล้วเรานั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่ง